คนเริ่มกลับบ้านแล้วก็มีกลับบ้านเพราะเขามาขออยู่ประมาณนั้นนะบางคนก็มีธุระมีธุระว่าอขออยู่ถึงวันอังคาร น, นะวันจันทร์นะหรือวานนะั้นบอกแต่ทีแรกนะดีอยู่นะบอกว่าจะอยู่ห้าวันอยู่สามวันเนี่ยก็อยู่ให้ได้ถึงแค่นั้นนะแต่ถ้าบอกจะอยู่เจ็ดวันนะได้สองวันไปแล้วนี่นะ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บ่กบอกถึงว่าสู้กิเลสไม่ได้คิดขึ้นมาใหม่แต่บางคนอยู่ขออยู่เจ็ดวันอยู่ได้สิบห้าวันดีแสดงว่ามีความก้าวหน้าไปไ ด, ด้มันมีพัฒนาการอย่างหนึ่งก็คือมันซื่อสัตย์ตัวตัวเองปฏิบัติธรรมคนไหนมีความซื่อสัตย์ต่อสัตย์จะอธิษฐานเนี่ยมันช่วย มันช่วยให้คุณธรรมมันมันดีขึ้นนะเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอธิษฐานเผื่อไว้ด้วยอว่าจะปฏิบัติธรรมเจ็ดวันเอาข้าวันเนี่ยได้ปฏิบัติสามวันเอาห้าวันเนี่ยได้ว่าจะบวชพรรษาหนึ่งเอาเจ็ดพรรษาเนี่ยได้แต่ส่วนมากว่าจะบวชพรรษาหนึ่งกำลังเข้าพรรษา อําลาแนละ้วโอ้ยธุระหลายเมือนกันเราน้มีเยอะแยะวันนี้วันที่หกปฏิบัติธรรมนะตอนนี้จะแปดทุ่มแล้ววันถ้าจะเปิดเทปให้ฟังนะค่อยฟังตามพูดตอนเช้าพอ น, นึกออกไหมเรื่องอารมณ์ที่พูดเมื่อเช้าเนี่ย คือคนเข้าถึงอารมณ์วิปัสนาเนี่ยมันจะเริ่มจาก เ, เกิดความมั่นใจในสติที่สามารถดับความคิดได้จะเกิดชั่วคู่ชั่วขณะก็ทำมั่นใจเลยนทีว่าเออทางนี้แหละที่เป็นทางไปสู่การดับทุกเวลาเราจะเล่นสติเนี่ย เดี๋ยวมันหายสงสัยเรื่องความงมงายเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเรื่องอะไรงต่างๆเนี่ยวันนี้ลงตาไปตอนนอง้งคั่มไปดูพวกช่างทำงานเขาถังน้ำมันสองรอลิตรตั้งไม้พาดเจ้าฉาปูนตกลงสามครั้งหงายหลังนะ่ะสามครั้ง แรกลงครั้งหนึ่งครั้งที่สองลงสองคนครั้งที่สามยกทีมสามคนตกลงมาข้างล่างแขนไม่ค่อยดีตูนตาเอายกมาตัวนี้แรงหน่อยโอ้ตูนทาหัวยกแรงได้จะไดนเขาว่าเนี่ยแขนอะไรมันช้ําหมดเป็นอะไรโอ้ยสงสัยไม่ได้บอกไม่ได้สั่งกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเขาว่าไอ้ที่ตกนี่ผมคิดว่าเป็นเพราะเจ้าที่เจ้าทาง ความจริงในน่าจะจุดทูบซะก่อนบอกเจ้าที่เจ้าทางว่ามาสร้างห้องน้ำตรงนี้น่ายน่าจะไม่ตกเขาไห้หลวงตาเลยว่าเอ้าทำไมต้องบอกด้วยก็หลวงตาเป็นคนจ้างพวกเธอเนี่ยเขาก็คุยงงๆนะเขาว่าเจ้าที่จุดปูใจเจ้าที่เจ้าที่ก็ฉันนี่แหละเป็นเจ้าที่นะวเจ้าของที่นะเนี่ย ให้สร้างแล้วจะมาจุดทูบเสียจมันก็ควันตายหละยนอก็อกไปนี่นะนะเขาบอกว่าเจ้าของที่ก็อนุ ญ, ญาตให้สร้างแล้วฉันก็สั่งให้ชรางก็สร้างไปดินะคือเขาก็หัวเลาะขบขันโอ้โหเขาว่าเพิ่งได้ยินนะนี่เขาว่าเพิ่งได้ยินใน้ฟังอนว่าเจ้าที่จะเป็นอยู่บนภูเขาเนาะน่นะไม่ใช่หรอกเจ้าที่บนภูเขาไม่เกี่ยวกันนะลองดูดิเจ้าที่บนภูเขาให้สร้างแต่หลวงตาไม่ให้สร้างเธอจะสร้างได้่ยไม่ไม่เกี่ยวกันนะ่ะ เนี่ยเจ้าที่มีโฉนดด้วยได้ดียร่ว่าบอกเขานอซ ส, สามมีเนี่ยออืเอาทําไปได้ปะบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วทําได้โอ้ยเขา เ, เขาก็ทําด้วยความสนุกสนานคือแพทย์แบบเวียนไปบอกเขาหน่อยโบเรื่องความละเอียดเรื่องอะไรคือเขาไม่ใช่ช่างมืออาชีพเท่าไหร่เขาคือเป็นลูกน้องช่างแต่ให้เขามารับเหมาแล้วเขาไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยเป็นเราต้อบอกเขาหน่อยอะไรที่เราอยากได้แบบไหนก็บอกเขา่ นั้นคนที่อยู่ข้างนอกคนที่ยังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะติดติดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศิลศาสตร์เรื่องเวทมนต์เรื่องคาถาอะไรข้างนอกอ่ะของขลังพวกนี้ประเพณีพิธีกรรมงมงายมันจะติดอันนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เราเราได้ตัวรู้ชัดๆที่ปรากฏเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่นแหละ จิตมันเข้าสู่เส้นทางนะไม่รู้นะใน ห, หลายคนไปปฏิบัติทำแบบหลับตาเนี่ยเขาจะสอนเรื่ององมงายค่อนข้างจะเยอะนะสอนให้เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญหนักเลยมันมันเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่เชื่อในตัวรู้สึกตัวนะเชื่อบาปเชื่อกรำเก่าเชื่ออะไรพวกนั้นนะถามว่าดีไม่ดีะแต่มันไม่ใช่เรื่องของปรมาภิษฐ์จักร มันจะคนละอันกันของพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นพุท ธ, ธสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วมาสลายไอ้ความคิดความปรุงแต่งเฉยๆที่มีอยู่ในจิตคนในใจคนเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะหายไปอ่ะมันดับมันสลายมันหายไปมันไม่มีเพราะจริงๆในจิตเราเนี่ยมันมันไม่ได้มีอ่ะ ความเชื่อ ง, งมงงงงายพวกนี้มันเกิดขึ้นหลังจากเราโตมาแล้วเราเริ่มสะสมความรู้สึกนึกคิดแบบนี้เข้ามาและเก็บซ่อนเอาไว้ในใจมันก็สะสมทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยล ะ, ะน้อยมากขึ้นมากขึ้นเป็นตะกอนที่ฝังลึกอยู่ในจิตนะดังนั้นคนไหนปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งงมงายหนักยิ่งมีความเชื่อ ความศรัท ธ, ธาความเลื่อมใสเรื่อง ส, องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์อะไรหนักไกด้เรื่อยๆนี่ห่างไกลพุทธธรรมนะก็แสดงว่าไม่ได้รับรถจากตัวสติในการเห็นจิตที่มันทุกข์มันไม่ทุกข์เมื่อก่อนในจิตเราจะผูกพันกับเรื่องนี้เรื่องผีเพื่เนี้ผีสางนางไม้มีความกลัวบ้างไมมกลัวแต่พระ ที่ได้ iso แล้วเนี่ยเข้าไปอยู่ในป่าได้นอนอยู่ในป่าได้สบายนะตื่นดึกลุกเช้าได้ก็ตื่นสายก็ไม่ค่อยไหวกลัวเหมือนกันเขาออกมาก็รีบออกมากับเขาเมื <c oughs> ่อตื่นสายมอนกหน่ากลัวอันตราย <c oughs> คือมันไม่มีน่ะในใจเนี่ยแต่จิตที่มันมันเก็บซ่อนไว้มันมันทำให้เราไม่รู้ทีนี้พอจเจริญสติ มากขึ้นมากขึ้นรู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นก็เกิดเกิดเห็นความเห็นความว่างเห็นภาวะของอนัตตาที่เกิดการไม่ยึดมั่นถึงมันเกิดรู้ว่าอันนี้เวลามันหลุดมันร่วงลงจากจิตและจิตมันสว่างมันว่างมันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงอะเวลาจิตมันมีอํานาจของปีติมาครอบงำนะมันมามาคลุมและไม่ให้อะไรเข้ามาและจิตมันลงโล่งนะ โอภาษยานปีตินะปีติปัจจิตตัวคนส่วนมากคือมันต้องเกิดก็เกิดความสว่างขึ้นมาในใจก่อนเรามีการเห็นความคิดและสามารถสลายความคิดได้ถึงจึงเกิดปีตินะถ้าเป็นนี้เกิดตามกระบวนการและจึงเกิดความสงบความสงบแล้วจึงกลายเป็นสมาธินันะ่นแหละอยู่ไกลนะของพุทธศาสนานี้คือมันต้องเกิดตามลําดับนี้สมาธิจึงอยู่อยู่หลังพวกนี้ ถ้าอยู่ๆแล้วเป็นสมาธิขึ้นมาเลยเนี่ยไม่ใช่หลักการพัฒนาธรรมตามเหล่าพุทธศาสนาเนี่ยมันมันจึงกลายเป็นทิฏฐิมานะไงจิตเรานะ่ะถ้าสงบเริ่มต้นก็สงบเอาเลยเนี่ยมันจะเป็นทิฏฐิมานะเป็นความจิตมันไม่โปร่งอะพราะเรากดเอาท่านมันต้องเกิดปัญญาตามลําดับแล้วจึงไปเป็นสมาธิ คนทั้งหลายทั้งปวงทำสมาธิคือเพ่งจ้องให้ม่นเป็นสมาธิเลยซึ่งมันไม่ใช่คุณธรรมพุทธศาสนาที่มันพัฒนาตามลมตามลำดับไม่ใช่ลักษณะของการปลูกฝังคุณธรรมมันเหมือนต้นไม้อยู่ๆก็อะไรอะนะเราไปต่อยอดไปอะไรเอาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความแข็งแรงเหมือนตอนนองเงี้ยแล้วไปปลูกเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงมันเหมือนออกจากรากมัน จากเมล็ดมันจริงๆพันธุมันดีๆเนี่ยจะริงพุทธธรรมเนี่ยเขาต้องให้การให้เกิดแบบนี้อยู่ๆเราก็มาฟังเราแล้วก็คิดตามนั้นปุ๊บปัศมามิตรเป็นนิ่งวันนี้ก็เชื่อตามนั้นแล้วก็ทําให้มันสงบเอาเลยเนี่ยอันนี้มันจะไม่ได้เกิดคุณธทำตามลําดับอันนี้เราเริ่มจากการสงบเพราะการเห็นทุกข์อันเนี่ยเห็นทุกข์แล้วก็เกิดการเห็นแจ้งพอเห็นแจ้งปุ๊บมันก็รู้ตันดีเนี่ยอันดับแรกๆก็คือจิตมันคิดเอาเองเรื่องผีเรื่องสางเนี่ย เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ัวเนี้มันปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วจิตมันก็หลงไปยึดเอาไว้รู้รู ป, รปนามพอรู้รูปนามก็เกิดปัญญาเนี่ยอันนี้มันจะหลุดไว้ของมันเองมันจะลดน้อยถอยกําลังมันจะมันจะหลุดพเอไปแล้วจิตมันจะว่างขึ้นมาของมันเองแล้วไอ้ที่ความรู้สึกว่าที่ความกลัวผีอย่างเงี้ย ผีมันมีอันนั้นศักดิ์สิทธิ์อันนี้นี่มันจะหายไปจากใจเราจะรู้ต่ที่ว่าหายไปวันที่เท่าไหร่เวลาไหนหลุดพวกไปปุ๊บมั่นใจเลยว่าสติเนี่ยสามารถดับทุกได้นะฮะฉะนั้นในวิธีการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะรู้แจ้งเรื่องสมมติขึ้นมาใหม่ๆหม่มันยังไม่เป็นนะแต่เพราะมันสลัดเขานับตั้งแต่มันหายงมงายแล้วมั่นใจในตัวรู้สึกตัวนี่นะมั่นใจเลยว่าความรู้สึกตัวนี้ ภาวะตัวนี้เขาเรียกมัคคะมัคค า, ายาณทัศนวิสุทธิมัคค า, ายาณทัศนวิสุทธิคืออยู่ยนวิ่งพรวดมายานสิบสองนั่นเอเลยปฏิบัติธรรมนี่ขอจะรู้สึกตัวนะในยานสิบหกนะเร็ว น, นี่มีความมั่นใจคือรู้โลกนามรู้ปัจจุบันธรรมได้ระดับหนึ่งเนี่ยมันเกิดความมั่นใจแล้วไม่สงสัยเลยอย่นะมันเหลือแต่ว่า จะทําให้ตัวต่อไปเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ยังไงมีมั่นใจว่าถ้าทําเนี่ยถึงทํำแน่ๆอันเนี้ยจะเอาไหมแต่นั่นเองนั้นเวลาใครพูดอะไรก็มันไม่สงสัยอ่ะไม่สงสัยว่าความดับทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันอยู่ยังไงอ่ะทุกข์มันเหลือมากเหลือน้อยอยังไงมันจะเริ่มเห็นอ่ะโอ้ จริงๆทุกอยู่นี่นะเนี่ยทุกตัวนี้หายไปแล้วคือพอภาวะนั้นเกิดขึ้นเนี่ยไอตัวทุกความปรุงแต่งเนี่ยมันจะหลุดไประดับหนึ่งความยึดติดอุปทานอย่างอุปทานหยาบๆอย่างตัวงมงายตัวศีลและพระธรรมมรเนี่ยมันจะหลุดไปใจก็ตื่นก็เบิกบานขึ้นมาแต่บางคนก็รู้ตามเห็นตามที่ค่อยชี้นีให้ที่เล็กๆและน้อยคน ก็เริ่มเข้าใจแต่บางคนก็จะเข้าใจแบบแบบแจมแจ้งขึ้นมาแล้วก็อ ม, มีความเชื่อมั่นนาทีเจ้าทั้งบางคนมันเชื่อเขาเรียกว่าเกิดอธิมโมกอธิมโมกคือมีศรัทธาน้อมใจเชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเต็มไม่เชื่อใครทั้งนั้นเนะี่ยพระพุทธเจ้าเหาะมาตัวนี้ว่าอันนี้ไม่ใช่นะมันก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันจะบอก เ, อเรื่องผ่องผองพระพุทธเจ้าอันนั้นเขาเขียนหนังสือนะ ของคุณหมอโค้งศักดิ์ตันไพิจิตในมติชนเขยียนว่าหลวงพ่อเทียนพระธรรมดาที่ไม่ธรรมดาหลวงพ่อเทียนภิกษุที่ไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าในธรรมเทศนาของท่านคือท่านไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเหาะมาตัวนี้บอกพันมันไม่ใช่หราะสิ่งที่เธอรู้นี่แต่ว่าเออนั่นคือเรื่องของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าววาไม่ใช่ก็ช่างแต่ผมเห็นว่ามันใช่เนี่ยเดยว ในความใช่ไม่ใช่ตัวนี้มันอยู่ด้วยภาวะอันหนึ่งคือรู้ด้วยปัญญาไหมบมางทีบางทีก็ติดทิฏฐิเนีนะก็ให้เรารู้ตามความเป็นจริงโอ้เป็นอยงนี้น้อยบางคนหนักเป็นอธิโมกน้อมจะเชื่อเชื่อมากหนักกว่าศรัทธานะอธิโมกเนี่ยปกติศรัทธาเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยขันติกับสตินะศรัทธายานะสัมปยุตแต่ตัวนี้มาเป็นศรัทธายานวิปยุต เชื่อแบบงมงายเลยเชื่อเชื่อมั่นแบบจริงๆจังต้องอยังนี่เดี๋ยวนีว้อันนี้มันจะไม่มีสติกำกับเท่าไหรนะ่จะน้อมลงไปสู่ความงมงายได้ง่ายนะได้ง่ายคือยังรูกผีลูกคนอยู่นะเนี่ยนะแต่มีความเชื่อมัน่นไอ้ความเชื่อมั่นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีสภาวะแบบนี้ แล้วบางทีมันจะไปทำคนเดียวเพราะทำคนเดียวมันจะดิ่งนิ่งลึกอย่างนน้นนี้ไปมันหลุดไปเลยก็มีนะหลงทางก็มีนะถึงจังหวะนี้นะเพราะไอตัวความบิสุทธิ์ด้วยด้วยมั่เข้าใจว่านี่คือใช่ทางและมิใช่ทางเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์จริงๆคือมันเชื่อมั่นมากไปไอความเชื่อมั่นมากก็ทำให้หลงทางอันนี้อันมันต้องพอดีอ่ะ ความเชื่อนี่ประกอบด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งโอ้มันเป็นหนีเนาะแล้วจิตมันมันไม่น้อมหนักไปมากอันนถ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็จะง่ายๆก็คือดูได้โอ้มันเป็นหนีเนี่ยมันเริ่มผิดปกตินะคนเนี้ยบางทีมันได้อารมณ์หนักมันจะเห็นหรอกขอลาไปอยู่คนเดียวมันจะมีนะเดี๋ยวขอลาแบบนวลวันนี้มองเห็นคนบางคนนี่มันผิดปกติอะเมื่อวานเป็นอย่างหนึ่งวันนี้เป็นเพิ่งอย่างหนึ่ง ก็คอยดูแลเอาใจใส่คนที่เป็นอย่างนี้เขาค่อยประคองประคับประคองเข้ามาหนึ่งเข้ามาื่องมีวิธีเนี้ยนะหนะลตาเคยมีพระอยู่ด้วยองค์หนึ่งปฏิบัติธรรมรู้นะเรื่องอนนาตาว่าไม่มีอะไรดูชีวิตนี่ไม่มีอะไรมีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วย้นี่ก็ป่วยอันนี้ก็บไข้อ้อยไม่มีอะไรตื่นมาก็แป้งฟันเหม็นตัวเองนี่ก็ มองไปกับยังกับซากศพนะเห็นคนอื่นก็เหมือนกันอนะ่ะมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ความเจ็บความปวดความเมืความทุกข์แต่ละวันละวั น, นี่ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะอารมณ์ความโลภกดหลงลาขะไม่มีแกว่าไม่มีอะไรเลยใจนี่ไม่มีอะไรนั่งดูหลายวันสองวันสามวันเมื่อเดิมมีแต่ทุกข์ นะจาแจ้งมีแต่ทุกข์กับทุกข์นะไม่มีอะไรจิตเป็นสมาธิดีอก็เลยโอ้ยมันไม่มีอะไรในชีวิตทีม่มีทุกข์กับทุกข์อยู่ไปก็อยู่มาบริหารร่างกายอันนี้ต้องหาอยู่หายามรักษาต้องกินข้าวกินน้ำปอนมันเดี๋ยวก็พาไปโรงพยาบาลตื่นมาก็อาบน้าแปรงฟัน แล้วก็มานั่งเจ็บนั่งปวดนั่งเมื่อยไปวันวันเนี่ยมาทรามานเดี๋ยวก็ทําวัดสวดมนต์อ้ยอยไม่เอาละเนี่ยนิง่งหนัก็คือคหนึ่งมงันตาตื่นขึ้นกลางคืนแหละเอตื่นขึ้นมันดึกดึกเนาะหกทุ่มนี่แหละนอนสามทุ่มห้าทุ่หกทุ่มก็เดินเดินไปเดินไปเขาเปิดไฟอยู่ในกุฏิกุฏิมันไม่มีมงนีอะไรเนาะ ไม่มีฝาเห็นเขากำลังเอาเชือกผูกนะกาลังไปผูกคือนี่แหละลุงตาถามว่าลุตาเดินไปเขาก็เห็นนะเขาได้ยินนะเราไอเขาก็เชื่อไม่สนผูกไปเรื่อยลุตาถามอาทำอะไรผูกคอตายว่าจะผูกคอตายโอ้ทาไมจะผูกเร็วจังมันไม่มีอะไรชีวิตเนี่ย อยู่ไปก็เมื่อยดูแลอะไรร่างกายมากมายเปลืองข่าวน้าดูไปกับรักษาดูคือรักษาอยู่ไปก็คือเดี๋ยวหน่อยก็ตายเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรสู้ตายเดี๋ยวนี้ไม่ดีกว่าแล้วก็ผูกไปเรื่อยนะหลวงตาเลยบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งผูกเลยไปหามเตียงช่วยหน่อยเดี๋ยวค่อยมาผูกคอตายนึว่าซึ่ว่าโอ้ยลงตาไปหามเองเถอะไม่ต้องมาแก้อารมณ์ผมหลอก ว่านะรู้ด้วยนะไม่ได้แก้ไม่ได้เกลื่อนอะไรหรอว่าเรื่องของเธอตายก็ช่างเธอหรออันนี้ไปหามช่วยหน่อยว่านะย้ายเตียงหน่อยมันนอนลําบากนะมันมดมันเลยไปช่วยกันหน่อยเดีนะ๋ยวจะทำไปเรื่อยนะเอา้ากูบาจาย์ใช้นี่ไม่ได้เรื่องเลยหรอไม่เชื่อไม่ฟังนี่กูบาจารย์ก็สมมุตินะว่า ผมยังอัศจรรย์เลยเคยพูดว่าลุงตายอยู่ได้ยังไงรู้ธรรมะแล้วเนี่ยน่าจะผูกคอตายเป็นน่นแล้วผมรู้ขนาดนี้ผมก็ยังโอ้ยเบื่อหน่ายร่างกายสังขารเนี่ย่ันะุงตาแล้วสนุกสอนอยู่ได้พูดนะอืเห็นชาวโลกเขาก็ทุกเนี่ยน่าห้องไห้ลุงตาไม่เบื่อหน่ายบ้างแล้วพูด เราก็เริ่มได้ทีเดินมาเริ่มคุยกับเราเว้ยก็เริ่มดีอันนี้คือเล่าให้ฟังนะแต่ไม่เล่าจบหรอ ก, กคือคือมันเป็นแบบเนี้ยบางคนก็ติดอารมณ์บบเนี่ยคือมันมากไปสมาธิมันมากไปก็ไม่ค่อยดีความเข้าใจปัญญามันไม่เป็นกลางอะ่ะมันชัดเกินไปมันก็ไม่ค่อยดีคืออยู่ในภาวะที่มันพอดีไอความพอดีนี่มันคือ ธรรมะนี่อันตรายทุกขั้นตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยพร้ อ, ม, อม่เกิดทิฏฐิมานะราคะตัณหาได้ตลอดเกิดความโลภในธรรมตลอดบางทีนี่บางคนไปกัางคืนเดินจนถึงตีสีก็มีนะี่เอาบุกก็ไปไปเจ้าบรรลุใ้วันนี้แหละรู้สึกตัวดีจังเนี่ยชัดเจนนะมันก็เอาอย่างนั้นแหละเอาทำไมไม่นอนต่อเนื่องดีมาก ความต่อเนื่องดีมากรู้สึกตัวตลอดของคนความรู้สึกตัวต่อเนื่องดีดีจนกระทั่งไม่ว ไ, ไม่หลับไม่นอนนะตื่นตอนเจ้าก็เดินจะให้มรู้ตัวต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดการรู้แจ้งอนะ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพระอรหันต์ทำความต่อเนื่องได้บคนก็มีความเชื่อไปแล้วเอานต้องไปชวนให้ออกจาก สมาธิออกจากสติชัดก็ไม่ได้นะนี่กันติสติชัดชัดชั ด, ชดมากๆนี่ก็เป็นอารมณ์แบบหนึ่งเหมือนกันเนี่ยมันปัญญามันไม่มีพ อ, องีเั้นตงเมินมันต้องเป็นจังหวะที่มันพอดีไม่ได้หมายว่าต้องนิ่งต้องดิ่งต้องโน่นต้องนีนตงนง่ต้องอะไรมันมันพูดยากว่ามันเกิดปัญญาตรงไหนเนะี่ยแต่ว่ามันจะอยู่กลางกลาง อัน้หลายคนปฏิบัติวิธีนี้สร้างจังหวะเนี่ยจึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีนะสร้างจังหวะจะไม่ค่อยดีหมายความว่ามันไม่ค่อยเกิดความมันไม่ค่อยเกิดปัญญายาณผุดขึ้นเน่ะแต่ส่วนมามันจะเกิดตอนเดินเพราะตอนเดินนีมันรีแลกมันได้ดูนั่นดูนี่มันมันเพลินออกไปหน่อยเนี่ยนะแต่ว่าคนเนี่ยมันจะติดความคิดถ้าสติยังไม่มั่นคงมันจะคิดเพลินได้หลายสิบโครงการนี่ ถ้าสติมันดีหน่อยเดินไปเดินไปเดินไปไม่จะเกิดความความอย่างรู้นู่นอย่างรู้นี่เกิดขึ้นความแจ่มแจ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยแต่ลวงตางกคยแนะนำนั่งสร้างจังหวะเยอะๆหน่อยนั่งคุกเข่าไว้บ้างอะไรบ้างทาเล่นๆไปฝืนเอานั่งสร้างจังหวะไม่ให้มันหลับลุงตางเคยทํานะทําแบบไม่ให้มันหลับเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง นั่งแท่งีิบไม่บรรพบุรุษก็ทำได้สิบสามชั่วโมงนล่นนะทำงานอยู่เดินนี่ก็เดินที่ลูกแชั่วโมงเอา้าเดินตั้งแต่เช้าเลยเดินจนทั้งอาบน้ำแม่งน่นละ่ะจริงหยุดนะถ้าไม่หยุดยืนยืนก็ให้ยืนดึงขึ้นขาหนึ่งเดินขาเดียวทีช่วงไหนที่สมาธิไม่ดีก็จับแก้วน้ำ น้แก้วมันจะหลับนะใส่นี้เดินดูไปแล้วหลับตาด้วยต้นนั้นเดินไปหาตนน้นเดินกับใส่น้ำเต็มๆจิตมันก็จะจ้องอยู่เนี้ยไปเรื่อยๆหาเรื่องทำอ่ะในตําราเขาบอกว่าปิสุตั้งหลายเธอจองเจริญสติทาประหนึ่งว่า เธอมีหม้อน้ำมันแล้วตั้งบนศีษะหม้อว น, นตั้งบนซีสะเคยเห็นนะคนจีนนะ่ะเขาอะไรหม้อตั้งบนหัวเคยเห็นนะะแต่น้ำมันนี่ใส่เต็มเลยเป็นหม้อน้ำมันนะถ้ามันร่วกลงมันถูกตาละบอดนะแล้วเดินอ้อมเมืองราชจะคืดูดิหนูว่าเดินอ้อ ม, ออมโตไม่ใช่นะเดินอ้อมเมืองแล้วมีบุรุษ นักโทษประหารถือดาบตามหลังไปเนี้ยมันหกทีไรชว่วทันทีนะเดินอ้อมเมืองนี่แล้วมันจะกล้าให้มันหกเหรอมันถือดาบจ่ออยู่ น, น, นี่เดินตามมีบรุษรัดประหารเนี่ยคอยประหารเราถ้าน้ำมัน ที่อยู่บนหัวตั้งอยู่บนหัวนี่มันหกหน่อยก็เขาจะฟาดฟันลงด้วยคมดาบทันทีพิกษูทั้งหลายเธอกําหนดสตินให้ทําประหนึ่งแบบนั้นเดินไปในเธอรู้ไปรู้ตลอดกําหนดรู้ไปอย่าให้มันหลุดให้รู้สึกเหมือนระวังอันนี้ระวังสติเนเหมือนกับระวังหม้อที่อยู่บนหัวหม้อน้ํามันเนี่เดลึกรู้ไปเรื่อยเรื่อยนะมันนึกอันนั้นได้แหลพะพอนึกได้ก็มาทํา เดินไปเดินไปเดินกลับมาเดินกลั บ, ม า, บ ม, ามาที่ก็หลับตาหลับตาเราเดินต้นไม้ต้นนั้นนะต้นไม้ตัว น, นี้นะเดาเอาแาบนั้นนะก็ฝืนทำไปเรื่อยๆแหละวันหนึ่งก็จะดีขึ้นเองก็คิดไปนะมีศรัทธาเป็นพอละศรัทธามั่นใจละเส้นทางเส้นนี้คือถ้าได้สติระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันจะไม่กลัวแล้วมีความก็จะให้มันคิดออกข้างนอกนะจะคิดป่วงไปไกลให้มันอยู่ระหว่างเนี้ย ตอนนี้มันไม่ไดอารมณ์รู้ไม่ได้อารมณ์คําว่าไม่ได้อารมณ์คือไม่ได้สตินั่นเองอะสติสมาธิมันไม่ได้มันไม่พอตัวระลึกรู้มันไม่เข้มแข็งก็เจริญสติไปแต่พอมันรู้ความรูงความความเข้าใจแล้วไอ้สิ่งที่เรามีทุกทั้งหมดในใจในกายเนี่ยมันทุกมันหายไปอะนะมันโล่งมันมีแต่ความเออบิ่มซาบจิตมันชุ่มด้วยอํานาจของปิติมันเออบิ่มเนี่ย โอ้จิตแบบนี้เนี่ยไม่มีอไม่มีอดีตจิตแบบนี้ไม่มีอนาคตจิตแบบนี้ไม่มีความกลัวจิตแบบนี้ไม่มีความงมงายความขลังความศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่มีอนุนตาทำมามันเป็นแบบนั้นแล้วสอนคนมาก็เป็นแบบนั้นในหลายคนนะมีพระมีเหรียญมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทิ้งไม่มีอ่บางคนมีฝไายปูแคน มีใยผูกคอมีรูปมีเหรียญเนี่นี้มากมายหลากหลายปฏิบัติทำแล้วก็หายมันไม่มีแต่ทุกคนโง่ๆมาปฏิบัติทำเรารูท้ทันทีนะบางคนมีหลายหลายสร้อยหลายเหรียญอันนั้นนี่เยอะแยนะคือมันห่างไกลคือเรารู้ทันทีพื้นฐานเดิมจิตจิตของคนเนี่ยห่างไกลนะแล้วก็พาเขาปฏิบัติสักครู่เดี๋ยวมันก็หายดอกถ้าเขาได้สตินะั่นแต่ถ้าได้ไม่ได้สติก็เหมือนเดิม มันทีกเอาพระเอาเหรียญมาอาธิษฐานก่อนก่อนเดินเโยกม์นะแล้วก็โอ๊ยเธอยัไม่ใส่คอเลยมันหนักคอนะเดินธรรมดานี่แหละอยเดินไปเดินไปเดินไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเวลามันเกิดปัญญาเนะ่ยโอ๊ยอายนะอายที่โง่งมานานเนี่ยมันจะเกิดแบบนั้นขึ้นมาเลยเนี่ยหลายคนนะในรถในอะไรน่จ๋ า, จานเนี่ยจะมีพระห้อยรูปเหรียญเต็มไปหมดนะ่ะบางทีเนี่ย เจิมแล้วเจิมอีกจนกระทั่งลายหลังคารถนะแต่ความเหมือนเดิมเวลาขับไปก็ชนนั่นชนนี่เหมือนเดิมพเพราะอะไรเพรสติมันไม่มีแต่มันก็มีความเชื่อแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่ปฏิบททัติธรรมสติอันนี้ไม่เกิดนะปัญญายาณอันนี้มันไม่เกิดไปบอกให้เขาเลิกเขาเลิกไม่ได้นะเลิกไม่ได้เหตุผลดียังไงก็ตามนะแต่จิตเขามันไม่ถูกล้างนะ จิตเนี่ยจะไม่ถูกล้างเลยไม่จะเป็นเหมือนเดิมนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันต้องเป็นอํานาจของปัญญายานนะไม่ใช่เกิดขึ้นในคิดเอาหรือใช้ตร ก, กะอะไรธรรมดาแต่ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยคนจะมีความเชื่ออันนี้มากเลยเนี่ยนีเชื่อความเชื่อเรื่องนี้นะ่ะมีมากแม้รัฐบาลไม่ใช่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะบริหาราเมืองเศรษฐกิจดีไม่ดีดาวอังคารดาวนู่นดาวนี่พระเคราะห์ลาหูอะไรต่างเนี่ย ต้องดูละนะต้องดูต้องดูหมอนะเศรษฐกิจดีไม่ดีดีคือมันไม่ได้เชื่อถือความสามารถนะพระเราก็เอาละอีกหน่อยก็สวดมนต์ละสวดมนต์ปัญหาบ้านเมืองมีก็เอาพระมาสวดมนต์นี่เขาก็ระดมสวดมนต์ให้คนนั้นป่วยคนนี้ป่วยโยมพ่อป่วยกรุงเทพนะ พ่อหลวงป่วยเอาเอาพระทั้งหลายมาสวดมนต์สวดมนต์อธิษฐานทรงไปเอาเศรษฐกิจไม่ดีก็าพามาสวดมนต์ะอะไรก็สวดมนต์ฝนไม่ตกต้องทำรูดู ก, กันก็สวดมนต์ก็คืออยู่ด้วยพิธีกรรมอยู่ด้วยความงมงายมันไม่เข้าถึงแก่นสัจธรรมถ้ามันเป็นจริงนะไม่ต้องทําหลกฝนเทียมเนี่ย ใช่ไหมพอถึงันอ้ า, อ, าอยากทำนาสองขนปีนี้ฤดูฝนผ่านไปแล้วนี่มนภาเกจิทางเหนือนี่มารวมกันดีสวดฝนลงมารู้สึกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีกระทรวงการคลัง่ะเปิดท้องคลังเอาไว้เอาภาเกจิมาสวดแบ่งไหลเขาบ๊บบบม่ค่อยังชั่วหน่อยเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยพระแต่นี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราก็เชื่อเชื่อ เพราะศรัทธานะทีนี้เอความเชื่อเนี่ยมันส่งผลต่อการไม่พัฒนาเศรษฐกิจไม่พัฒนาบ้านเมืองประเทศชาติมันไม่ได้พัฒนาเพราะมันอยู่ด้วยความหวังแบบงมงงง่ายๆลมๆ ม, มแรงแรงอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าให้เชื่อตัวตนของตัวเองตัวตนของเรานี่ตัวตนที่มันไม่มีทุกข์เนี่น อตัวตนตอนนั้นอาจจะเป็นนามกายอาจจะเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมอาจจะเป็นปัญญายัญให้เชื่อสิ่งที่เรามีเนี่ยอย่างศาสนามันจะมีสองแบบศา ส, สนาที่มีพระเจ้าหนึ่งศา ส, สนาหนึ่งไม่มีพระเจ้าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีพระเจ้าไม่มีเทวดาไม่มีอะไรแต่สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อันนั้นก็คือตนอัตยีอัตโนะโถตนนี่แหละเราเชื่อตนของเราไหมเชื่อความสามารถของเราไหมเราเนี่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดละแต่เราไม่ค่อยมีความเชื่อแนถ้าศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นเรื่องของคนอื่นไปนะกับศาสนาีกแบบหนึ่งก็ให้เชื่อความศักดิ์สิทธิ์แต่ศักดิ์สิทธิ์นอกตัวเองนะอย่างศาสนาที่มีก็เนี่ย ที่มีพระเจ้าเชื่อพระเจ้าศาสนาพุทธก็คือพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเหมือนกันนะแต่พระเจ้าคือตัวเราเนี่ยคือพระเจ้าตัวเรานี่แหละคือธรรมะตัวเรานี่คือธรรมะธรรมะคือตัวเราเนี่ยตัวเรานี่คือกอ๊อตที่แท้จริงอเนี่เป็นไหมแต่ว่าเราจะค้นเห็นไหมท่านเองอ่ะค้นเห็นธรรมชาติอันนั้นน่ะที่มีอยู่ในเราเนี่ย ถ้าเราค้นเห็นในนี้ปุ๊บไอความงมงามันก็หายไปมันเหลืออย่างเดียวคือต้องพุ่งมุ่งเต็มที่เลยเห็นทางแล้วเนี่ยเหยียบทันทีแหละพุ่งทันทีไปได้ทันทีเกินหน้าได้แต่นั้นจิตของเราเองเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วภาวะอะไเนี้ยนถ้าเราทํามันนั้นให้หายได้มันจะขยับเข้ามาข้างในนัทีเนี่ย อันดับต่อไปที่ต้องปฏิบัติธรรมคือมันจะเริ่มเห็นละนะพอความงมงายหายไปได้ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมคืนมานเนี่ยเนี่ยคือเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมเริ่มการเห็นธรรมเนี่ยมันใจเรื่องสติสติก็คือเริ่มไหนเริ่ม ต, ตัวที่มันดับทุกได้นั่นแหละทุกคือความคิดนะความคิดนะความคิดเนี่ยเป็นทุก ทีนี้คนมันจะถามเนี่ยเอาความคิดที่มีประโยชน์ก็มีนะคนนะดับทั้งหมดเลยเหลือความคิดเนี่ยทั้งนั้นคนไม่คิดมันก็ตายดินี่นะ <c oughs> ลองดับทั้งหมดลองดูแล้วมันจะได้ประโยชน์มากดี้นี่ความคิดที่มันมีอวิชชานะคือดับความคิดทั้งหมดได้เนี่ยพอดับได้แล้วมันจะเหลือตัวอันหนึ่งขึ้นมาหรอกตัวที่มันมันเหมือนไม่ใช่คิดนะ นะมันคิดแต่มันไม่ใช่คิดมันมันจะรู้เองหรอกเวลามันเข้าใจเนี่ยมันก็เจอกับมาเป็นตัว เ, เห็นตัวสติล้ว น, วนเห็นความรู้สึกตัวล้ว น, ลวนแล้วก็เห็นความคิดที่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งก็รู้จักทีเนี้มันจะเห็นแล้วนะตัวรู้เนี่ยมันจะทำหน้าที่แหละนะเริ่มเริ่มดูภาวะของจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนา มากขึ้นกว่าเดิมหลายเปอร์เซ็นต์เน่แต่ก่อนดูกายสักเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบดูจิตสักยี่สิบยี่สเนะ่มันแว บ, บมาก็เห็นมันง่วงมาก็เห็นมันเบื่อมาก็เห็นเห็นแต่ว่าเราเน้นอยู่กับการรู้สึกตัวอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวรู้สึกมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น แต่ในความชัดเนี่ยบางทีมันก็เกิด ค, ความโลภอยากดับทุกข์ไวๆมุ่งเพ่งจ้องเอาจริงเอาจังกับมันดีเอาไปแล้วปวดหัวอะไรทีนี้โอ๊ยไอ้เนียได้แต่ทำแบบนีนะ้ตลอดเวลานะทุกเพราะ ม, มันปวดหัวเพราะว่ามันโลภมากไงความโลภโลโภอะไรนะปริปันโถ ổ. ทำมานางก็ริบหรูความโลภเป็นอันตรายต่อทำทุกชนิดทําธุรกิจก็ตามถ้ามีความโลภเสียแย yeah. ่ทาหาธรรมะเนี่ยวิปัสสนาธุระก็เหมือนกันทําคันถายธุระวิปัสสนาธุระทําอะไรก็ตามถ้าโลภเป็นอันตรายดันทีเลยนะมีปัญหาขึ้นมาทันะีอนะอันนี้เราเป็นกลางๆ น, นี่เป็นเฉย พอเฉยๆได้มันก็จะเริ่มเห็นตามความจริงโอ้เป็นนี้เนาะนั้นคนได้ดวงตาเห็นธรรมคือในภาวะที่ผ่านมาเมื่อกี้เนะี่ยแต่มาตอนนี้มันจะเริ่มขึ้นสู่ภาวะของความเป็นสักกทาคามีเนี่ยคือมันจะเริ่มเห็นความคิดขึ้นมาก็ตัดออกมันปรุงแต่งมาก็เริ่มตัดไปความคิดเกิดมาก็ดับไปดับไปดับไปดับน้อยนอยลงน้อยลงเขจะเริ่มเห็นเน่ยความคิดอันนี้เป็นความโลภนะเนี่ยความโลภเกิดมานี้เนะ่ย ความกโกรธเกิดไปนี้นะความหลงเกิดไปนี้นะก็จะเริ่มตัดนั้นเมื่อไหร่ที่จิตเราเป็นสมาธิวันหนึ่งวันหนึ่งนี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ค่อยคิดไม่ค่อยปรุงแต่งและอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยนั่นแหละความโลภกดลงมันน้อยลงความโลภมันน้อยลงเพราะมันไม่ค่อยคิดแล้วถ้าคิดมากก็โลภมากหละคิดมากก็หลงมากทีนี้ความหลงมันน้อยลงข้เพราะอะไรเพราะว่าจิตเราเป็นสมาธิคือเราสามารถตัดความคิดความปรุงแต่งออกได้เยอะเนี่ย มันก็เป็นสมาธิมันเองโดยธรรมชาติอันนี้วันหนึ่งหงเดินไปกินข้าวกินน้ําก็อยู่กับปัจจุบันได้เห็นไหมเวลาเราดูเจมี่เขาบอกว่าอืมสังคมของสังฆะเนี่ยเขาต้องการให้อยู่แบบแต่นักรู้อะไรประมาณนั้นห <c oughs> ลวงพ่อเทียนท่านว่าต้องการให้รู้สึกตัวแต่ละวันเนี่ยต้องการให้รู้สึกตัวแล้วให้เห็นความคิดแล้วตัดความคิดให้ได้นั่นเองนะี่ <c oughs> ฉันถ้ามัวไปทํำเล่นๆหัวอยู่นี่การตัดความคิดการปล่อยวางมันไม่ไมค่อยเกิดมันไม่ค่อยสามารถทําได้แต่นี่เราทําเนี่ยหลายๆคนเริ่มแล้วนะสามสีนะ่ห้าวันเริ่มทําได้แล้วการตัดความคิดการวางความคิดการอยู่กับปัจจุบันการเห็นการปรุงแต่งอะไรนี่จ้าเนี่ยมันเกิดมันดับยังไงเนี่ยมันเริ่มเห็นมาัาละแล้วมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นแล้ะสติเนี่ยมันมีความมั่นใจดต็ที่อ่ะโอ้ความคิดมันน้อยลงนะทุกข์มันน้อยลงทุกข์มันน้อยลง เห็นทุกมันน้อยลงบางทีปัญญาข้างในเนี่ยมันจะบอกออกมาเองไปถึงจังหวะหนึ่งเนะี่ยมันเหมือนมีคนอยู่ข้างในเนี่ยในใจเราเนี่ยมันบอกมันเหมือนมีตัวบอกบทบอกอนะคือสติแล้วเราก็ดันไม่สงสัยตัวใครพูดอยู่ข้างในเนี่ยคือมาถึงตอนนี้ให้ทำยังไงมันจะรู้จักให้รู้สึกตัวนะอะไรประมาณนะั้น เอาทางนี้สงบสงบอย่าไปนะให้รู้สึกตัวดูเฉยเฉยไนีคือปัญญามันจะบอกเขามันเองมันจะรู้เองทุกเป็นยังไงเนี่ยแต่คุณต้องโง่เป็นหน่อยโง่เป็นคือรู้สึกเฉยเฉยได้นะอย่าทำทีเป็นคนฉลาดถ้าฉลาดก็ยาก เพะเวลาเราทําความเพียรมาเนี่ยความโลภโกรธหลงมันน้อยลงก็ตรงที่เราตัดความคิดได้ไวนั่นแหละตัดการปรุงแต่งได้เร็วขึ้นแล้วเราจะเริ่มยิ่งมีความมั่นใจในพุทธธรรมเนี่ยพุทธธรรมทำที่ทําความรู้สึกตัวความรู้ความตื่นเนี่ยความเบิกบานเนี่ยมันจะเห็นมันเพราะพอรู้จักอย่างนี้มันก็ไม่วิ่งไปสายโน้นไม่วิ่งไปสายนี้แหลนะนะไม่ได้ไปวิ่งหาอะไรนะ่ะ องค์นั้นองค์นี้อะไรที่เขาแบบศักดิ์สิทธิ์ก็ดีนะค์นั้นเป็นเท พ, พเจ้ามาอง์นี้เป็นยังงี้โอ้ใหม่แล้วดีอยู่กับปัจจุบันนี่แหละเริ่มเห็นละนี่สติสัมปชัญญะในการดับทุกเนี่ยมันเริ่มมีเริ่มเป็นนะ่ยนะพระีอาณมาโปรดเนี่ยไม่ไป ส, สมัยหนึ่งนะ หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังนอนเวลาเป็นนอนอยู่ของท่านท่านจะเล่าให้ฟังเนาะคุยเรื่ อ, อนั้นเรื่องนี้นะนอนอยู่ครับบางทีดึกท่านถามวันทีท่านก็ถามเร้่อนะที่ท่านไม่ถามบอกเราถามอดีวันคุยกันสมัยหนึ่งเป็นปนิพพานูไปตัวธรรมะกับพระศีอ่านตัวเมียผู้หญิงนะเป็นพระศีอาน ที่เมืองเลยเพราะว่าเขาบรรลุธรรมเป็นภระสีอาจารมาเกิดว่าพูดดีมากนะผู้หญิงเนะยอันนี้หลวงพ่อก็ไปเทียงธรรมะกับภระสีอาจารจนสว่างพ <c oughs> ระสี อ, า, า, อ า, นนานก็ว่าไห้งั้ท่านก็คนมันมีตำราเนาะนก็คุยกันดึงนั่นดึงนี่ไปเลยนะคือมัน คือคนหนึ่งก็รู้แบบหนึ่งอีกคนหนึ่งก็รู้แบบหนึ่งไอ้ความรู้นี่มันเอามาแข่งกันใช่ไหมนะคนหนึ่งบอกว่าใช่กูเป็นคนหนึ่งว่าไม่ใช่หรอกเป็นไ ป, นปนไม่ได้แหละคนหนึ่งก็จะพยายามที่จะบอกหาจุดบอดหรือจุดมันติดอารมณ์ให้ฟังนะว่ามันคืออะไรนนะสีก็ราสีนี่แหละสง่าราศีนี่เป็นสง่าราศีอาริยะก็คืออริยนี่แหละ ประเสริฐเนี่ยเนะมตไตรยะเมตไต ร, ตรคือประกอบไปด้วยเมตตาสังคมของสีอะไรยัเมตตรคือตัวนี้แหละตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นสังคมที่มันประกอบไปด้วยความเมตตาความเกื้อกูลอาทรซึ่งกันและกันนะฮะเป็นสังหาราศีในสมัยนี้นะเราเคยได้ยินนะสมัยหนึ่งควรมนิดเข้ามาพูดนะ ใครเข้าสู่ระบบสังคมนิยมของคอมมิวนิสต์เขาจะทำาให้เป็นสังคมแห่งภาษีอริยมเมตไตรเขาเคยประกาศโฆษณาชวนเชื่อแต่ก่อนอันนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายนะเนี่ยเพียงแต่ว่าเราแปลผิดเราคิดว่าในอนาคตตการแต่ความเป็นจริงก็คือคนไหนที่เข้าถึงทรเนะี่สังคมนั้นก็คือสังคมที่ประกอบไปด้วย ความเมตตาความเมตตาเพื่อถอนซึ่งกันและกันคือไปไหนมาไหนนี่มีแต่ความเมตตาเพื่อกูนเขาบอกออกจากบ้านหน้าตาเหมือนกันเข้าบ้านจึงหน้าตาต่างกันคือออกไปนอกนี่มันเหมือนกันเหมือนคนคนเดียวกันนะ่ะพูดคุยด้วยกันยังไงก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันหมดนะ่ะไม่มีความรังเกียจเดียวฉันไม่มีการชิงชังกัน ความเบียดเบียนอะสังคมนั้นเป็นสังคมประกอบด้วยเมตตาเป็นอย่างมากสังคมที่คนเข้าใจธรรมะเห็นไหมเราไปไหนมาไหนไมิแต่ชวนกันไปปฏิบัติธรรมไหมเนี่ยสังคมศีรยะเมตตาคือสังคมประกอบด้วยเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลนะศีรยะคือประเสริฐอริยะแปลว่าประเสริฐนีความเมตตาประเสริฐคือ เมตตาแบบทั่วไปมันไม่ประเสริฐแต่เมตตาแบบประเสริฐคือเมตตาที่จะทําให้คนพ้นทนะุกข์น่ะเขาเรียกว่าเมตตาอย่างประเสริฐเข้าบ้านก็รู้จักโอ้ยนี่ผัวเนาะนี่เมียเนาะนี่พี่นี่น้องเนาะก็รู้จักกันธรรมดาก็พูดคุยกันไปตามเรื่องแต่ถ้าออกนอกบ้านอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็คนแต่ละคนเนี่ยต่างเห็นอกเห็นใจต่างพูดเรื่องเดียวกันคือเรื่องอริยสัจเรื่องการดับทุกข์เรื่องสติสัมปชัญญะ นะไม่ได้มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอะไรกันเลยไม่ได้มีเนี่ยสังคมมันนะฮะอันมันเกิดกับจิตของคนประเภทไหนก็เกิดกับจิตของคนที่บรรลุธรรมนะฮะเพราะมีต้นการละเบิกเกิดเนี่ยมันใช่จริงๆริงการละเ ก, ก็คือมันมีความสุขเกิดอยู่ในใจเราเนี่ยนะมันสุขมันสบายอืม ในอริยบทสี่จะเคลื่อนไหวไปมาสี่มุมเมืองเนี่ยเคลื่อนไหวไปมายังไงมีแต่ความสุขกายก็มีความสุขเวทนาก็มีความสุขจิตธรรมนะในพลังงานคว้างสองกอยจวานะคือเพียงกายเวทนาจิตธรรมปรากฏตรงไหนเนี่ยนะความสุขมีตรงนั้นสอยเอาได้ตรงนั้นฮะมันมีความสุขมันไม่ทุกข์นั่นเองนั่นภาวะอันเนี่ย มันเกิดกับจิตของคนมีสติแล้วนะระดับหนึ่งขึ้นไปอ่ะมันจะเห็นมันชักโอเป็นอย่างนี้เนาะก็ขยันทำเพราะาชีวิตที่เกิดมาแค่เนี้ยไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หรอกมากไปกว่าการดับทุกนี่นะเราเกิดมาแล้วเป็นผลของทุกทีนี้อยู่ไปก็เป็นทุกขถ้าเราไม่เห็นทุกไม่เกิดปัญญาเนี่ยอยู่ไปฟรีๆอยู่ไปได้วยความทุกข์แหละ มันจะเห็นแจ้งของมันขึ้นมาเองแต่ว่าต้องจับปัจจุบันให้ได้ดีๆก่อนให้มันเจ็มใสก่อนตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วเนี่ยเอาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเรื่องเงี ย, งยบๆมาแล้วเนี่ยฟังเรื่องที่ไม่เงียบสักหน่อยเอาไฟลนก้นพวกเธอไปมันจะไม่ไปอยู่แล้วเนี่ยเอ้าหัวนี่ออกมานหน่อยดิ ให้เป็นพระเอกสักหน่อยนี่วันก่อนเขาพูดไป น, น้อยๆนะอโอโอ่อนน้อมเป็นเนาะโอจากกราบพระกราบเจ้าเนี่ยแสดงว่าธรรมะมีะนะเนี่ทีนี้ปฏิบัติธรรมไปมวันก่อนคุณตาก็ไม่รู้นะเขาเป็นยังไงเนี่ยวันก่อนเขาเล่า ม, มาถึงตอนไหนหอดใส่ละเมอ น, นปฏิบัติธรรมไหม มือนั่นแล้วปฏิบัติธรรมหอดใส่หอดข่านิ่งนกเนาะเออนั่นแหะเมื่อมันติดอังยางอยู่หัน่ะเอาเมื่อนีะนะ้นนเป็นแบบไหนเอาเราต่อจากหันจากหันเอาเม่เราไปเห็นเบื้งหลังเป็นแบบไหนนี่มกรรกักเอาอ๋อผมจ่ายนกเอาตรงไหน <c oughs> เออเออช่วงงานผมเล่าถึงติดนกนะครับ แต่ช่วงนี้หลุดแล้วครับเฮ็ดเจ้าไหนมันจังหลุดคือหลงตาก็พาไปทิ้งไว้ในป่านนอยู่คนเดียวแบบนั้นมือมือต่อมาไปปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นยังไงมันมีปัญหาอีกเหรอถึงได้ไปไม่ไม่มีครับมันมันมีปัญหาไม่ถึงได้ให้ไปอยู่ป่านี่มันเป็นอะไรก็ติดติดนอกครับช่วงนั้นมันไม่ออกไม่ออก มันมันมันติดยังไงคําว่าติดเนี่ยติดมันแล้วก็เห็นอยู่เห็นอยู่อย่างนั้นครับเห็นแล้วก็คิดอยู่ในนกนกยังไงนะครับนกอะไรนกเอียงมองติดในนก็เลยครับนกเป็นตัวสีแดงครับเฮ้ครับอ๋อใหญ่บ่ตัวน้อยครับตัวนอ้ยนกจิบน่อยบ่แม่นเหยียบยะลงไปบ่ดีเลยที ก็เลยทําไงที่นี่ก็เลยลุงตาให้ไปเดินอยู่ข้างบนตอนแรกก็จะเดินอยู่ข้างล่างนี่ความคิดมว่างขึ้นไปนะงูนะงั่งเห็นเฉพาะหนึ่งก็เสือนะช้างนะความคิดนะครับผมก็ปีนขึ้นไปข้างบนะบนไหนข้างบนที่มีพาเต็นอยู่ครับโอ้ตรงโน้นนไหนครับอืมอน้ำตกนู่นนะน้ําตกนั่นก็ไปเดิน อยู่นานเหมือนกันครับตื่นไปเดินมาเดินไปเดินมารู้สึกแปลกใจปุ๊บขึ้นมาทีนี้มันก็จิตมันก็เลยชวนชวนไปชวนชวนชวนว่าระวังงูเด้องูมาแล้วงูมาทล้ช้างมาแล้วนะแสดงว่ามันกลัวงูมาก่อนในะจิตอันนี้ครับทีนี้ก็เลยก็เลยคิดขึ้นมาว่าสติมันคิดว่าสติต้องมีสติไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจมันตอบขึ้นมาเองอะ ไม่ต้องสนใจงูก็เดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจนรู้ว่ามันมันพูดเองอ่ะอยู่ข้างในที่ว่าทุกข์ของเจ้านะ่ะเรือน้อยน้อยนักน่หละพูดมาแล้วก็บอกว่าให้ถมเนื้อถอมตนด้วยก็บอกขึ้นมาทีนี้ใครบอกอยู่ข้างในครับเฮ<ะ>อูข้างในมันพูดออกมามันมีคนอยู่อีกเหรอ ไม่รู้ก็เดินแต่มันพูดออกมาเลยรับมันพูดออกมาเลย ไ, ได้ยินเสียงสิได้ยินเสียงก็เลยแปลกใจก็เลยพังหนึ่งก็เลยพังอะขับมันล่มครับแล้วก็ความคิดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพอจกากนานก็เดินไปเดินมาเดินไปมานานเหมือนกันทีนี่มันติดอยู่ที่นี่ก็น้ำมันหยดใส่รู้สึกตัวว่าต้องมาทำบัดเย็นก็ เดินมาเป๊บเดียวเองดังนี้จบแล้ว <c oughs> มาถึงนี่ก็จบพอดีเลยครับทำวัดนะครับนะดังนี้เห็นผ่านสุดจบพอดีเลยดังนี้โอ้หจบ้โหแผ่เมตตาดังนี้พอดีเลยจบค <c oughs> ือหลวงตาบอกคือเขาเดินเพลินจนกระทงมาทำวัดจะเสร็จเนะี่ย ม, มันสนุกไปเสียงนั่นเป็นของคนแก่หรือคนหนุ่มลืมแล้วนห น, หนุ่มครับทับยังไม่แก่ครับ เสียงก<ม>ูเสียงไพร่ครับโอ้เสียงไพร่มันวหวยังไงนะครับมันวหว ย, ยังไงเสียงคนหนุ่มอ่ะเออที่ว่าไปไลืมแล้วนะ <laughs> ไอ<ป S>้ทุกทุกของเจ้าเลือน้อยนักหนึ่งเมันก็พูดเพลนี้แหละครับคืออะไรทุกเนี่ยมันมันมากเยมันหมายถึงอะไรทีดู้ผมก็ยังไม่รู้ผมเลยทำดวงตามเมื่อตอนยัง น, นี้ครับ ใจเป็นยังไงหลังจากนั้นสบายเลยจีสบายครับก็ เ, เลยเดินเดินไอความฟุ้งซ่านความคิดมันไปไหนไม่รู้ครับไม่มีเลยครับอืมหายแล้วมันดีกว่าเดิมเหรอดีกว่าตอนตอ น, ตอนที่มันโล่งตอนไขว่วงครับโล่งคือมาถึงนี่ก็ก็ธรรมดาก็ไม่ได้คิดคิดแต่ว่ามันมาทําวัดเย็นอืมก็มาถึงก็เสร็จแล้วก็ทําเสร็จแล้วพอดีอืม ไม่ได้ตกใจหัวเขาทําเสร็จแล้วอย่างนี้มันมันไม่มีเหรอใช่ครับเฉยเฉยครับเฉยเฉยอืมพอวันนี้วันวันนี้กเออ็เป็นไงวันนี้วันนี้ก็อารมณ์ดีครับวันนี้ก็เดินเดินไปเดินมาก็บางครั้งก็เป็นกับคนถ่ายยิมอยู่คนเดียวฮ่องรู้สึกแบบข้างในก็ธรรมดาแบบนิ่งก็เดินไปเดินมา เดินแล้วก็นั่งกัทําขึ้นไปเรื่อยไปเรืยสติสติไปเรื่อยกับทำขึ้นไปเรื่อยเรื่อยมันก็เลยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็เลยกายสบายไปเลยวันนี้ไม่คิดไม่มีอะไรไมายุ่งเลยเลยแบบสนุกสนานวันนี้แบบดีใจมากที่มันเคยเป็นแบบนี้ ถ้าไม่ได้มาก็ไม่รู้จะได้ปฏิบัติอย่างนี้หรือเปล่าจะได้ทําจะได้รู้จะได้เห็นหรือเปล่านี่ก็ได้มาแล้วก็ได้เห็นได้รู้แล้วมีกําลังใจครับไอการดับทุกนิพพานนี่มันจะมีจริงไหมก็ไม่รู้ครับยังอไปไม่ถึงครับคิดว่ามันจะมีไหมทุกดับเนี่ยเธอทุกมามากไหมก่อนมานี่ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ทุกเรื่องอไหน ทุกเรื่องที่ทํางานครับโอ้มันยังอยู่ไม่หรือหายไปแล้วหายไปแล้วครับที่กับลงแล้วครับชงนี่โอ้ก็ไม่คิดขงานบ้านยังไม่คิดถึงเลยครับโอ้เมียล่ะไม่คิดครับมีไหมมีครับแต่ว่าไม่ิดได้เมีอะไรตีครับพ้าทแต่จว่ามันไม่คิดครับไม่มีเลยครับผมเลยว่าทําไงหน่อยไมนคิดนี่ผมเลยคิด มองไปเห็นต้นกล้วยเห็นลูกกล้วยก็โม้คิดว่าในนั้งกล้วยจะสุกงั้นเนาะไม่ใช่ว่จะคิดได้แค่นั้นกับโอ้มันก็ม่ภายในพยายามจะอย่คิดมากๆคิดเรื่องกล้วยดูดิก็ดูกล้วยก็กล้วยสุกจบทิ้มันก็ไม่ไปใสอยู่แต่กับกล้วยกล้วยงั้นเละอ้อนก็ไม่คิดไปต่อให้คิดไปต่อมันก็ไม่คิดมันจะไม่งูดเลยนี่มันไม่คิดต่อมันก็ไม่คิดเนี่ยมันไม่คิดเลย ไม่มีเลยว่าหยตัดเมื่อฝากเมียกูน่ากลัวยกูนี่ไม่มีนะไม่มันจะสุกอย่างเดียวให้มันสุกอะไรนู่นว่ามันจะสุกคิดอยู่แค่นี้ครับมันมันไม่ไปไหนอนกี่อยู่ที่ข้างไหนก็เดินไปเดินมาก็เดินขนาดเดินช้าๆยังยังมีอารมณ์อ่ะเดินช้าๆแบบเอือยเอยมันก็เต่าเดินอนั้นสมาธิก็มีอยู่อย่างนั้นก็รู้อยู่อย่างนั้นครับอ เตมก็ร <S an> ู้สึกตัวตลอดอ่ะขณะเดินก็รู้สึกตัวขณะเดินเบาเหยียบก็รู้สึกตัวทางตรงไหนเจ็บก็มันก็รู้สึกตัวเดินจนนิ้วโกบวมอ่ะจนเห็นนะโอ้ยนิ้วบวมเลยบวมกันบวมทึบเดินไปกมันก็ธรรมดาเดินไปเรื่อยเรืยมันก็ไม่รู้สึกอะไรถึงข้างก็ธรรมดาแบบไม่คิด อยากให้คิดอย่าคิดมองไปแห่งแตกล้วยก็เห้คิดไต่กล้วยมันก็ไม่ไปไหนอืมันไม่หิวข้าวหรือตอนเพลินน่ะไม่หิครับ่เขาตีละครั้งแม่งเลยไม่โอ้ดีใจไม่มีนะแต่ตอนก่อนๆ น, นะมีแม่งปุ๊ปูมันดีใจแล้วโอแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ดีใจแล้ววันนี้ก็เข้ามาก็เวลามามาดูก็มองดูข่าว มันกับแปลกๆก่อปกติจะตักมาแบบเยอะแต่มาหลังๆมามันมันแปลกแบบไหนแปลเใช่ป่ะมองไปแล้วมันมือนกับมันกับอิ่มแล้วครับกินแล้วก็อิ่มแล้วกินน้อยก็ได้ไม่กินก็ได้ครับอืใจมันไม่มีความอยากครับก็มองลงมาคงจะจ้องก็อนจ้องสุขทั้งทาไปตามหิวแต่ว่านี่ไม่อยาก จ้องสักพักหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อจะดูครับดูใจครับอืดูจะทํายังไงคิดอยากจะกินแบบปุ๊บเลยหรือเปล่าอนารจะดูมันก็ธรรมดาก็รอไม่ได้ตั้งใจดูมันดูของมันเองเราแบบดูมันจะร้องหรือเปล่าเราโกรกอย่างนี้หรือเปล่าอืมบอกว่าจะกินข้าวแล้วนี่หิวข้าวแล้วมันไม่มีพูดอย่างงี้ ก็มองแบบมันก็ธรรมดาทนี้ก็กินลงไปแล้วก็ไปเดินไปเดินก็เหมือนกับท้องเหมือนกับไม่มีอะไรอ่ะ <Wow. S 2> ว่างว่างครับเหมือนกับไม่มีอะไรอยู่ในท้องเลยว่างแบบเหมือนกับปุงลูกปุง๋งงั้นกงอยู่ไม่จะอึดอัดอะไรก็ไม่มีอึดอัดเดินไปก็ลุ่มสบาย เลยคิดถึงอมันเป็นยวงเนาะสงสัยใครจะถึงดมั้งนาะน่ะใครจะถึงถึงไหนยังไม่รู้เลยครับอดไม่ได้เนาะใจะถึงแล้วมังเลนะแต่ก็ไม่คิดครับก็รอดูไปเรื่อยๆครับรอดูพุ่งนี้อาจจะปิงปิงหวังบางไม่หวังว่าจะอย่างน้นอย่างนี้พรุ่งนี้เน่ะว่าวางแผนไว้ว่า พวกนี้จะลุยแบบนั้นไปได้มีไหมยังไม่มีเลยครับโอ้พวกนี้ก็พวกนี้ไปเลยครับเมื่อคืนนอนหลับไหมหล <c oughs> ับครับอืได้ลุกมาก่อนพระไหมเมื่อคืนเหมือน<ม>อวันก่อนกลางกลงก็ลุกขึ้นมาอตั้งมองซ้ายมองขวาแล้วมองซ้ายมองขวาก็ออกไปล้างหน้าแล้วก็เดินมนะนึกว่ามันลุกก่อนเวลา อยก่คนละสองข้างยังครับอืไม่หนักไม่หน่วงนะปฏิบัติธรรมในดีอยู่นะครับเริ่มแรกเนาะทรมานครับเริ่มแ<ต>รกไหมครับแต่พอมาวันที่สี่แล้วมันแบบแปล ก, กจากวันแรกจนวันที่สองที่สามเลยแต่ก็เหนื่อยคิดคิดก็เยอะด้วยแต่เนี่ยมามันไม่คิดเละอยู่เฉยก็ธรรมดาก็ไม่ค่อยคิด นั่นก็ดีไปอย่างหนึ่งที่ได้รู้ได้เห็นครับยอมเป็นอย่างงี้แลเป็นอย่างนี้ก็สบายอือยากจะรู้แต่ว่ามันก็ยังไปไม่ถึงออืแต่ร้อนอมันจะมีอะไรอยู่ข้างหน้านี้อยู่ครัาดว่าอือาเอาเอาดีกว่าไม่มานะเนะครับได้มาแนี่ได้รู้ด้วยออืเจ้านายเขาขู่ไม่ให้มานี่ไม่ได้ขู่ที่ ไม่มาไม่ไปนั่นไล่ออกนะมีไหมก็มผมถ้าเขาให้มาก็มาถ้าเขาไม่ให้มาก็ไม่ให้มาอืมก็ไม่อ้ น, นี้ครับก็ไม่คิดแต่ว่าถ้ามามาแล้วเขาให้มาอยู่แล้วเราก็ต้องถ้ า, เ, <อ>าเขาให้ครับถ้าเขาให้ทหําก็ทําครับทําจริงอืมได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับได้มีจะคนแล้วว่า สงใส่บนนี่เว้ยคนเดียวครับโอด้ผู้เดียวที่อายุเท่าไรเมียอายุสิบแปดครับว้าเมียยังสิบแปดสูงก็นีติเมียสูงสูงก็เฮ้าบอกพัดตัวมันจะได้ลูกหลอดโอ้เด้น้อยกําลังด้งยังไม่เต็โตครับ บ่อยากให้มันมาสัางจังหวะในที่ก็ไปอยู่สกดในตัวตรงแาไปกับคุณนี่มัอนอีเดอใดหนอมันเคยไปสะกดที่ครับคนขาวขาวนะครับเว้ยมันเกินละเขาหลาก้อนนองมันไเนะืเฮ้ยคือเอาค้นเขาอะ่ะ มันก็นทำงานอยู่หันแล้วครับทำอยู่หนักทีท้าวเรศังเกตงวดงวันว่างหันนัลนทีครับงวนวันว่างเจ้านายเข้าไปปฏิบัติเมื่อกี้นะเกิดโอ้ได้อารมณ์มากๆนะดีใจก็จอยากให้ลูกน้องได้ได้สติได้ปัญญา เลยให้ไปปฏิบัติเนี่ยมาปฏิบัติทำซื้อเอาไม่ได้นะอันนี้เนาะครับมซื้อไม่ได้ต้องทำเอาแับใจต้องทำเอาเองครับต้องอดทนถึงจะรู้ถ้าอดทนก็คงจะยากไหมครับบางคนเขาก็อดทนอยู่นะแต่จิตมันไม่ค่อยเป็นสมาธิเนี่ยมันเทคนิคมันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้<ง>ทำํำยุก็สร้างอยู่ว่าเดินโยกกลมอยู่แต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ ไม่เห็นว่าเห็นอะไรเนี่ยเธอคิดยังไงตอนไดนะต้องเออต้องทํำยังไงเพื่งจะเปลีตอนทั้มทงม่วงทั้งคิดท<ำ>ั้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังง่วงยังคิดเนี่ยทําไงที่ได้อารมณ์ผมก็ทำผมก็ส่วนมากท่านถ้าเดินเนี่ยมันจะดีกว่าครับอืมเดินทํามีอารมณ์แล้วปุ๊บแล้วไปนั่งแล้วทําจังหวะนี่มันจะไปมือนี่เหมือนกับตีกลองไงก็อย่างนั้นเลยครับมันไปแบบพื้นไปเลยอะ่ะ พอเวลาเวลาคํายังง่วงมันเข้ามานั่นๆๆไม่แล้วไม่แล้วมพูดอย่างงี้โอ้ไม่แล้วไม่แล้วแล้วมันก็บทตอบว่าไม่มาก็ได้ครับก็กลับไ้คืนผมมันก็กลับคืนไปเองครับอ๋อมันพูดง่ายแบบนั้นจีก็คือบมันมันพูดขึ้นมาเมันพูดขึ้นมาเองครับมันมันผมเหมือนไม่ได้พูดนะมันอยู่ข้างในอ่ะพระมันเข้ามาปุ๊บนั่นๆๆไม่แล้วไม่แล้วก็ไปไปก่อน วัยังไม่ได้กระทืบเท้าเลยยังเลยครับโอแต่ก่อนเห็นหัวปักหัวปั๊มอยูน่น่ะครับแต่ก่อนแบบมาแบสไม่เห็นเลยแต่ก่อน <laughs> เห็นไ <laughs> ม่แต่ตอนนี้เห็นมันก่อนแล้วเห็นแล้วครับพอพูดมันก็ไปเลยครับ ร, รู้แล้วครับว่ามันมันจะมาแบบไหนอืมพอมันมันเข้ามาแต่มันเข้ามาไม่ไม่เหมือนกันครับอืมบางครั้งมันเข้ามาแบบดีมากๆเลยมันเข้ามา มันก็ชวนมาไปนั่งสิไปนั่งมันว่านะะเร็เราไปนั่งดูมันจะทําไงเออราไปนั่งดูปั๊บมันก็หาวเลยทีนึงวุนลูกเลยลูกเดินเลยเดินเดินเดินสู้แล้วทอนี้มั้ยเดินเดินเดินพอเดินไปประมาณหกหรือเจ็ดนาทีเนี่ยมันก็หายไปเองหายแบบไม่ร่วงไม่อะไรมันก็เดินธรรมดา เหมือนเราดูเหมือนกับตาเหมือนกับแบบคนป่วยอ่ะแบบเดินไปอ่ อ, อยอ่ อ, อ ย, ออยไปแต่ไม่คิดอะไรแต่มันไม่มีอะไรเข้ามาตอนนี้นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเข้ามามีแต่บอกให้มันคิดคิดเึงกล้วยวมันไปไหนเลยบอกให้คิดยาวๆไม่ไปบอกคิดถึงคิ่เรื่องกล้วยะ่ะอย่าไปยุมันีมันไปแล้วมันเอามาคืนไม่ไ ด, ได้แต่ไม่ไป ครับไม่ไปขนาดหลวงตาพูดยังไม่ไ ม, ไม่ไปเลยที่พูดให้ฟังบนีทีก็อยู่ธรมรมดาขนาดคำ้ำหัวเราะยังไงก็อยู่ไม่ไปรรเห็นมันอยู่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไม่อยู่ตอนนี้มันไม่ไปมันเหมือนกับขนาดพูดพู ด, พ, ดพูดเข้ามาเข้ามาเข้ามาเยอะๆแต่มันไม่คิดมันอยู่ที่ทเดียวอยู่ที่กล้วยกับกล้วยนะ ของกล้ว ย, วยนะเอาตอนตอนนั้นเนี่ยที่มันนกนี่มันออกไปได้ยังไงนกเนี่ยนอกอะครับเอ อ, เ, อ, อเกิดจังหวะที่มันออกไป เ, เห็นไหมจังหวะช่วงที่มันออกนี่มันช่วงมันขึ้นไปข้างบนแล้วไปเดินยุงกมแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ว่ามันเห็นในสีขาวสีดาที่เราให้ลุลงตาฟังสีขาวสีดําอะไร โอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเห็นที่ไหนข้างนอกเลยบนภูเขาหรืออยู่ในที่ไหนตอนแรกมันอยู่นี่เห็นอยู่นี่แล้วพอนี้ยไปไปบนภูเขาพอที่ตอนมันมันจะออกอ่ะมันก็ออกคือมันสีดำมันถอยไปเลยตอนช่วงที่ในใจเหรอครับมันมันมันถอยออกไปเองเลยเห็นเห็นอยู่ในใจครับืมอมองเห็นเห็นอยู่ในใจออกอือแล้วมันถอยถอยออกไปเรื่อยเรื่อยเรืย แล้วทีนี้นกมันก็หายไปเลยแล้วก็มีแต่สติมาเลยทีนี้พอมันคิดคิดว่ามันหลอกนีงมันหลอกให้กลัวมันหลอกให้กลัวครับใจมันหลอกบางนมันรู้เองครับเองรู้แล้วก็มันคิดไอ้ั้งนี้มันอยู่ข้างในแล้วมันบอกว่าสติสติสติอืมันอยู่สติมันบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งไม่มีสติก็เดินไปก็ยกขาไปก็ สติสติสติไปเลยเป็ น, นเองเลยที่นี่ก็หายไปเองก็มผมเดินกับหกโมงกว่าแล้วอ่ะไม่รู้ผมเดินให้มันกระเพินไปกับนั่นเลยวพวกนี้ก็น้ำเหมือนน้าค้างเละหยดลงมาจยดติ้งหนึ่งไม่ไม่ในคะรั้งที่สองถือดุ่งต้องทําวัดเย็เยนลงมาเขางสัยลงตาเข้าไปแล้วออื เงียบเงียบเพไ ม, ม, ม, ม่มีไฟก็เดินเดิ น, เ ด, นเดินมาก็รออยู่แล้วรอเธอรอแบบเอ้าให้มันทําได้เต็มที่มันแล้เราก็จะมาจะไปเรียกเอาไม่กล้าเรียกให้ให้อยู่ก่อนีเลยเดินลงมาลอนตาก็เดินมาตามหลังครับมาหนังแบบเดียวก็จบเลยดังนี้ <c oughs> <c oughs> จบเล <c oughs> อ๋อก็ยังดีอืม เอามรนาเอ้ยถามหน่อยเคยกลัวผีไหมไม่กลัวแต่ก่อนก็ไม่กลัวนะแต่ก่อนแต่ก่อนตอนเด็กๆนะ่กลัวอืมแต่พอโตขึ้นมาไม่กลัวก็ตั้งแต่ไปบวชครับก็ให้ไป น, นอนอยู่ในปาา่าช้าเคยฝึกมาก่อนเขาเผาเผาผีวันนี้แล้วก็ให้ไปนั่งดูอื ม, ไ, ม ไ, ได้ข้อคิดอะไรตอนไปนั่งดูทําไมถึงหายก็กลัวครับตอนนั้นกลัวนี่ เขาก็พาไปนั่งยินกลัวเขาก็พาไปอเขาพาไปนั่งดูนี่เขาก็เผาเอ็นตั้งหัวก็ลุกก็เลยรู้สึกว่าถ้าตายไปก็ทําทํารวงตายอยู่หนุนะ่มถ้าตายไปคงจะเป็นอย่างนี้เนาะก็เป็นอย่างนี้แหละดวงก็เผางนี่แหละ เ, เ, เขาก็บอกแค่นี้แหละอืมตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กลัวเลยเข่าเดินตรงไหนก็ธรรมดาจิตตั้งใจเอ า, าก็ไม่ไม่กลัวคือเดินไปก็ไม่กลัว ว่าไม่กลัวผีมันไม่มีเหรอมีไหมก็ไม่รู้กันผมไม่เคยเห็นแต่ว่าไม่กลัวคราไม่กลัวอมถ้าถ้ามีก็มาก็มาแบบดีๆถ้ามาแบบเล่่ๆวะกลุ่มแมวไปด้วยไม่คุยแบบน่าเกลียดน่าเกลียดเน่าจะไม่กลัวไม่กลัวถ้าทามาก็มาดีๆมาก็มารูปร่างดีๆคุณอยากได้ผีรูปร่างหน้าตาดีๆถ้ามาแบบไม่ดีมันก็น่าเกลียดนะมีนะใช่ ถ้า ม, ม, มาดีๆก็คุยดีๆถ้ามาแบบโอ้มาแบบสะดุ้งเลยว่โผมาหน้าตาเนรเล่อมาทำไมอย่างน้ <laughs> <c oughs> เขาก็ไม่ได้ว่าผีแล้วน่นมาหน้าตาดีๆกว่ามันเขาเรียกว่า น, นางไม้ประมาณนั้นนะอยากได้พวกหน้าตาขาวๆหน่อย <c oughs> ดำๆเหมือนกุลก็ไม่เอาแล้วไม่ไมอาแนะล้วเอาโมทนาโมทน า, าๆๆๆครับ แกก็ขยันดีจิตซื่อๆนะๆๆๆโยมชื่ออะไรน่าลืมแล้วจิโอ้โหนั่นหลวงตาก็ว่าเออกลุ่มเพื่อนสติมาพาไปปฏิบัติทุกวันนี้ก็จะไม่เสียหายหลายแหละไม่เสียหลายนั่นต่างคนต่างคิดหลวงตา ก, ก็คิดว่าปฏิบัติแต่ละครั้งก็ใครๆว่าคนก็ได้สติอยู่ได้เกิดสติกับเขาอยู่นะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ย จะระงวดจะระงวดอ้าควครบเจ็ดวันเนี่ยก็มีคนได้สติอยู่แล้วก็ตัดความปรุงแต่งความคิดความไนเกิดขึ้นอยู่ในเด้นก็ดีขึ้นเนี่ยสภาวะธรรมที่แจ่มใสลึก ๆ, ๆนี่ล้ตาก็หวังอยู่กับพระนี่นะความจริงเนี่ยหวังกับพระอา้าเร่งเครื่อ ง, องว่ะไปถามพระเป็นยังไงโอยลอูบาปะเนี่ยฟุ้งซ่านมืดมนะื่อไปโอ้ยนอนทุ้งซ่านสียเล นึกว่าจะพยายามใส่นะนึกว่าจะติดปลาตัวใหญ่พลุบขึ้นมานะขยันดีลุงท่าก็ดีใจอยู่แตดองค์แต่องคขยันค่อยๆทำไปนะสติสัมปัญญพยายามทำมันอยู่ที่การวางใจแหละนะนะไม่ต้องเอาไม่ต้องเป็นต้องมีคล้ายๆว่าคือสนุกกับสิ่งที่เข้ามาเฉพาะหน้าอย่างที่เ็าว่าเมื่อกี้นี่นะอะไรเกิดขึ้นมาก็ สู้กันเล่นหยอกกันเล่นๆกันเฉพาะไอ้เ ร, เรื่องนี้นะที่ข้างหน้าเนี่ยง่วงมากะหยอกกับความง่วงนี่ดูความง่วงนะฮะไล่ความง่วงไปฟุ้งซ่านมากะเอา้าไล่ความฟุ้งซ่านสนุกอยู่ ใ, ใกล้ๆเนี่ยจะไปมองไปนิพพานจะไปมองไปอดีตนะคนเหมือนเราขึ้นภูเขาเนี่ยเวลาเรขึ้นภูเขามองที่เทา้มททามองที่ตีนเนี่ยอย่าไปมองบนยอดเขา มองที่เท้าค่อยๆเดินขึ้นถ้ามองก็โอ้ภูเขาเนี่ 2, 000, 9, 2, ăn, ยสองพันเก้าสองพันขั้นตายพอดีเลยเพื่อจะถึงเนี่ยแต่ถ้ามองที่เท้าค่อยๆก้าวขึ้นก้มันไม่เหนื่อยนะเอาเป้าหมายอยู่ใกล้ๆตัวเดินไปค่อย ๆ, ๆมันจะขึ้นไปเองหรอกมันถึงเองแต่ถ้ามองอเพื่อจะนั่นเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดนิพพานโอ้ยชานี้กูจะวหวงเงอบเขาไม่ไอ้ยังงัหมดท่านี่คือมันมองไปไกลเกินไปนิพพงนิพพานไม่ต้องมองไปไกล มองโอ๊ยเห็นเขาได้ยังเขจะดับทุกข์ไม่ต้องมองไปไกลคุณเม้งเมงเข้าใจไหมหลวงตาพูดนี่เดี๋ ย, อยาอย่าตั้งเป้าหมายไว้ไกลอย่ามองเป็นภูเขานะ่ะเวลาเราขึ้นภูเขาเนะี่ยถ้าไม่กลัวเหนื่อยให้มองที่เท้านี่ยนะอย่าไปมองไกลมองที่เทา้าค่อยๆเดินขึ้นไปเหมือนกันปฏิบัติธรรมก็ให้มันมีสติทีละน้อยละน้อยอย่าไปมองเรื่องการดับทุกข์เลย ต้องื้อน้อยเจน้อยนี่ป้าหมายของเราก็ดับง่วงดับความคิดความคิดกับความรู้สึกตัวเหมือนกันไหมเนะความคิดมันออกไปข้างนอกแต่สติเป็นตัวดึงเข้ามามาแล้ลึกรู้นี้รู้ว่ามันคิดไปนี่ตัวไหนเป็นทุกข์เออความคิด พอคุณเม้งกลับไปอยู่บ้านก็จะรู้เวลามันคิดมาก็จะรู้สร้างจังหวะให้มันตัดความคิดทิ้งเป็นนะใช่ไหมไม่ว่าคนชาติไหนนะทุกเพราะติดความคิดนะนะั่นแหละแต่เวลาทำมากๆต้องทำให้มันํำนานทำเยอะๆมันละนิดละหน่อยทาเรื่อยๆแล้วความคิดมันเหมือนเราล้างถ้วยเรากินอาหารกินอาหารแล้วเราก็ล้างล้างเสร็จปุ๊บเราก็คว่ำไว้แต่ละวันนะ่ะ เวลาจะใส่ก็เก็บมาใส่ไม่กินเสร็จปุ๊บก็ล้างเก็บไว้ใจเราเนี่ยมันเหมือนถ้วยวันหนึ่งเราเอามาคิดเรื่องนี้คนนั้นพูดให้เราคนนี้ตาเห็นบ้าหูได้ยินบ้างมันก็เก็บมาใส่ถ้วยไว้ดงั้นเราต้องสร้างจังหวะเดินอยู่กับเพื่อนล้างถ้วยอันนี้ล้างจนล้างไปละมั้จะมีภาวะหนึ่งซาโตริแปลว่าอะไร เออเอเอน่ะแล้วหมอนี่มันว่าปิ้งมันจะปิ้งมันจะได้ปิ้งอยู่แล้วผมไม่ผมว่าท่านพ่อใจอยู่นี่ว่าเอาไปมันว่าท่านคักอือันนี้ซาเซนเนี่ยอย่าไปทิ้งนะคุณมิงอย่าไปทิ้งอย่าไปทิ้งก็คืออันนี้มันไม่ใช่อะไรแต่เป็นวิธีฝึกใจเราเอง ไม่ให้มันมันไปวุ่นอยู่กับเรื่องการเรื่องงาน โ, ร ง, า ร, นนโรงการนั่นโรงการนี้น่อนะถึงเวลานอนนอนตื่นพอคิดก็คิดคิดเสร็จแล้วก็ใส่หีปิดครับไว้อยู่กับความรู้สึกตัวชีวิตเนี่ยแล้วเราก็ไม่ทุกข์เละต่อไปเพราะว่าอันนี้มันมันไม่เลือกคนชาติไหนภาษาใดถ้าคนคิดมากก็ทุกข์ทันทีแหละอันเนี้ยแต่เขาไม่รู้วิธีที่ดับความคิดมันดีกว่าวิธีอย่างนี้ถ้านี้แนละ้วมันจะหลับ หลับไหมวันนี้นเออวันนี้วันนี้เห็นตื่นตัวดีเนะี่ยเข้าไปดูวันก่อนหลับไหมออโอสประกเออแรงแแรงๆรมาได้กี่วันแล้วที่สี่นะโอ้ก็สิไม่อยากบวชเหรอ <laughs> ตกใจนะถามแล้องอยังบวช <laughs> ยังไม่เคยคิดนะ <laughs> ได้ได้ได้ บวชที่ใจบวชที่ใจบวชที่ใจเอาอืคนไหนทําใจไม่ให้ทุกข์ไปแปลว่าบวชแล้วบวชข้างในอเอาโมทนาตอนนี้สามทุมแล้วเตรียมตัวกลับพักผ่อมกัน